มือพระองหมดมือพระอะไรยเี้ยฮะฮะพระงหมมือพระไรสเอครับพอูามสิบโอ้พอูห้าสิบมันใช่อย่าง้ราไฟไว้คือไงพอเป็นความเข้าหว่าง่งไงชื่อมืดไม่ขู่รอไงอย่งนี้ย ไม่มือความสว่างมันบอกว่าไม่คุยกันไงคือมือมันเหมือนโจรเหมือนมายเหว่านั่งพวิญายมือก็แสงสว่างของไฟพวิญายความมีอใครเห็นไหมเนี่ยก็ผู้มาเห็นก็จับมืองัน่นแ่ละแต่ผู้คือเรื่องพวิญายผมเก่งๆไม่รู้ว่าขื้เที่ยว อยู่ภในงาละเอียดยอดมากนะเมื่อจะอาศัยที่เคยอ่านเคยศึกษาเรียนมาหลายครั้งต่อหลายครั้งมันยังพอจาได้เานี้นะต่ผู้เก่งพองภยใละเอียดมากเลยเราเรียนจำชื่ออ่านจมชื่อผู้พิึกขาทราบว่ากี่เชี่ยวเรื่องไหนเรื่อไหนอ่านละเอียอนอกสักคำะ นักแต่งวิญญาติคือเป็นหลักสูตรของการของการสอบนับคำแล้วจ้าวิญญาติมกเรื่มหน เ, เรื่มสองเร่มสามมันเป็นประจําหลักสูตรนอกจากานค้นคว้ามหาขันคือไงโอ้ยคตเนาะเรื่องพระวิญญาตเพราะเรารักพระวิญญาแต่เรานี่และอาศัยที่นัมาจากก่อนนะมาฟูดวันเนี่ย ความจำมันหายไปหายไปคือเพอยังมีเหลืออยู่บ้างครับจำขึ้นมาพูดแล้วสังนะสังว่าไม่ให้คุยกันในชื่อมือไมันไปเหมือนคนเหมือนมาทังวามันคุยกันในชื่อเปิเผยคือว่ามือฟืนงนือไฟแล้วอย่งเ้ว่าอย่างเงี้ยถูกตามพระวินัย คุยกันคู่ซื้อเมืองซืมือทั้งปรับอบัตเหมือนโจนผู้วายคุยกันก็ซึกอก็ซ่ากันว่อาออืเห็นไมค ร, รับพับพู่กับเจ้า้วอยกเอียะเรื่องความยุ่งากนี่เียวจริงๆเอาเอาจริงเอ า, เอาจังมากนะยังไปอยู่คนเดียวด้วยแล้ ว, วย่ึดอำนาจระวังมากคือเยอเพวลาเป็นอาบัตขึ้นมาไม่มี ผู้แสดงก็ต้องต้องชึนวดปวดขังมากเยอะเรื่องคือให้คุยกับผู้กับคน ม, มันไมยแม่นเลยมันมักระวังสภาวะสืบแปดในสองเป็นห้าดก็มีคือนเนี่ยคือมากคือสุดะละเรา ผมก็ยังหมูคเพื่อนเห็นนี่แหละมทำยังไงโรคมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้ผมเองก็ไม่เคยชึกไมาใช่มาทำงานอย่างนี้มันก็คงเป็นเกี่ยวกับย่องบุญย่องกรรมนั่นเองมันจะเนี่มาเกี่ยวโยงกันไม่เคยคายเคยชึกมันก็ออกมาเห็นเป็นทั้งเห็นอมงชื่อเป็นอย้า ธมดาแล้วก็ยุ่งกับอะไรอายุก็แก่ข้างหน้ามิแล้วคอยหมูจะรวมหายใจคือขันมันทํางานข้างนั้นนอนนั่งนั่งก็ไม่มีอะไรเฮ้ยแคนที่มันจะเป็นอย่างนั้นอันก็กลับเป็นอย่างที่เห็นเนี่แ้วเป็นยังไงก่วันนี้ก็จะพูดกรรมะฟังเล็กๆน้อยๆเหนื่อยก็เหนื่อย ไปพูดธรรมะอบรมพระเนนก็ไม่ได้อบรมผมก็หยุดมาได้อายุแปดสิบนะอายุแปดสิบแล้วก็หยุดการประชุมพระเนนนี่ไม่เอาแล้วเพราะทาดขันมันก็พอประมาณของมันแล้วเนี่ยคิดดูสินะเหมือนหนึ่งว่าได้ตรงใจแล้วทำไมเทศนาะว่าการดูท้า ด, ดูขันของตนไปพอ ถึงวันเวลาแล้วก็ปล่อยแล้วไปเลยท่านแล้วกันอยู่ๆมันก็เป็นอย่างที่เห็นไม่ว่าไงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะมันเที่ยงใหม่ขึ้นมาเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่เคยคิดเคยอ่านก็ทบกระเทือนทั่วโลกดินแดนในชาติไทยของเรามันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแหน่งนั่นแหน่งนี่ขึ้นมาแล้วเห็นละเรื่องมันลนะ อะไรก็จะกุดจะด้วนไปตามๆกันหมดชาติไทยทั้งชาติศาสนาก็จะไม่มีเหลือเฮ้ยยังไงกันยังไงกันแล้วเจติดหนี้ติดสินเขาลายหนึ่งลายหนึ่งหกสิบสองล้านคนติดหนี้เขาคนละห้าหมื่นห้าหมื่นโถอ่าเยาวเข้ามาทุกด้านทุกด้านไอ้โลกเราก็อ่อนลงอ่อนลงเนี่ย มองหน้ามองหลังมองดูธาตุขันของเราก็หมดวิสัยแล้วแล้ว อ, อยู่ๆก็เห็นไหมล่ะหมอเต้งเมืองจีนนะั่นเขาก็มาสเสนอ <Ừ. S 1> เรื่องเขาหายจากโรคของเขาซึ่งเป็นโรคชนดิดเดียวกันกันกบเรามาเล่าให้ฟังนี่ทุกข์กระเบียดไม่จะผิดกันเลยนะ เอ๊ชอบกล่วคือเราตรงใจลงไปแล้วว่าเรามีแต่เราจะตายชาตเดียวแล้วนะเราจะไม่หวังบุนอะไรกำหมอกอะไรไม่ยุ่งทั้งนั้นปล่อยคันอยู่ๆก็มาพูดขึ้นมาอย่างนี้นะไม่นึกไม่ฝันนะไม่ได้ติดต่อกับใครเขาเขามาเสนอเองนะเดี๋ยวก็เรื่องเขาเป็นตั้งหัวไทยนี่แหละต้นเหตุนะรบเป็นเขาไปรักษาที่ไหนก็ โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยโรงพยาบางไหนไปมอดเขาก็ให้เป็นพอไม่เสียมารยาทท่านตรวจอะไรแล้วเขาก็ให้ยามาพอเป็นน้ําใจไม่เสียมารยาทจะไปโรงพยานั้นไปโรงนั้นก็แบบเดียวกันไปโรงไหนแบบเดียวกันเขาเขาบอกว่ารักษาไม่ได้ว่างั้นเลยแต่ก็ถึงมาเจอหมอหนีแล้วแล้วแกหายมาเลยหายอย่าง ร้อยเปอเซนต์างอ่ะแล้วเขาแก็กมาข อ, อนื้อมนเราขอให้รักขาด้วยกันเราฟังกับโรคของของเราของแต่แล้วเข้ากันได้ทุกกระเบียดเลยนะนั่นแหละที่จึงพลิกใจมาก็บอกว่าหมอนี่เป็นคนสุดท้ายของเรานะว่าเราโปรงใจแล้วว่าจะไม่เอาอะไรแล้วเรายังต้องพลิกมากว่า เอาต่างงั้นกับรักษาลูหายก็หายไม่หายก็ไม่หายแต่เวลาพิจารามันมีแงน่อยู่นะแปรอยู่พิจาราในจิตนี่แหละอันนี้มันพูดให้ใครฟังยากนะรู้เฉพาะจะของเของสิ่งที่แยกออกมาพูดนี่ก็เพียงเล็กน้อยอันไหนที่ไม่สมควรมันก็รู้เองในจิตในจิต น, นี่เวลาพิจารณาตัวเองแนละ้วสายตา ย, ยมันดิ่งอะไร แล้วสาย น, นี่มันอยู่ น, นีนะ่อันหนึ่งอ่ะเหมือนกับว่าเส้นค้ำมันแนบกันอยู่นี่เอ๊ะว่าจะไปจริงจริงมันทําไมถึงมีอย่างนี้อยู่เนี่อันหนึ่งนะมันมันมีอยู่อย่าเงี้ยเนี่ยเหมือนกับว่าเส้นค้ำสาย น, ายนี่สายดิง่งอะจะไปไอ้นี่มาอยู่นี่เอ๊ะมันยังไงทําให้ผมนี่แหละที่รับหมอเติงก็เห็นสายนี่แหละมันรับกันอยู่เนี่ยหมอจีนนะถ้าไม่มีแล้วปล่อยเลย มันก็มามีอันนี้เวลารักษาเนี่ยมันเหมือนปฏิหารนะอันนี้นะผมอัศจรรย์อันหนึ่งนะจนผมเองก็ไม่เชื่อจนไม่เชื่อหมอที่แก้กไม่เชื่อโรคเจ้าของด้วยเป็นขนาดนี้ถึงได้ห้าสิบปีกว่ามาแล้วนีนะ่แล้วหนักเขาทุกวันทุกวันเวลานี้เป็นเวลาที่จะตายเท่านั้นนะเดินจากสลามาหาไปหากุฏิก็จะไม่ถึง เดินจากกุฏิมาหาสลาก็จะไม่ถึงทางจงกรมยังเหลือจะจะลือทิ้งนะเข้าไปไม่ได้เลยเดินไม่ได้หมดกำลังขนาดนะั้นเดินจงกรมก็เดินแค่นะในกุฏินะี่ไม่กี่ก้าวเลยแล้วพอฉันยานี้ไปแล้วหมอเขาคานวณยาถูกต้องนะคือธรรมดาของโลกทั้งหลาย ที่เขาเคยรักษาหายมาโกคันดนี้เขาจะให้เฉพาะเจ็ดแก้วยาเป็นน้ำนะอย่างมากเขาก็แปดแก้วเขาว่ า, างั้นนะแต่เวาลารักษาเขานี่เรานี่เข า, เาบวกเขาไปถเท่าตัวเลย1ิบห้าแก้วเพราะเขากำานดนถึงเวลาเราเป็น่านยายานี่ฉันเข้าไปฉันเข้าไป เขาก็แนะบอกทุกอย่างก็เป็นปตามที่เขาบอกว่ายานี้ฉันลงไปแล้วมันก็จะถ่ายเหมือนที่ท่านถ่ายโรคแต่ก่อนว่างั้นแต่การถ่ายคราวนี้เป็นถ่ายโรคถ่ายภัยออกจากนั่นถ่ายด้วยอำนาจของยาเขาวางมันไม่ใช่ถ่ายแบบโรคถ่ายอย่างนั้นผิดกันท่านอยากพิจิตวิจารเขาวาง คือการถ่ายจะก่อนถ่ายเท่าไหรเหนื่อยลงเหน่อยลงถ่ายเขานี่จะถ่ายเท่าไรก็ตามไม่เหนื่อยเขาบอกงั้นนะมันจะถ่ายเท่าไรก็ปล่อยให้มันถ่ายไปเถอะมันจะเข้าไปซักฟอกชำระเป็นสารพิษอยู่ภายในร่างกายนี้สังสมมานานเขาว่างนั้นไม่มีใครรักษาได้ไง่ายๆแล้วเขาบอกงั้นเลยนะแล้วก็กินยาลงไปพอกินลงไปถ่ายก็ถ่ายเรื่อยเรื่อยเรื่อย ถ่ายเท่าไรมันก็ไม่ไม่เพียอ่ะแปกแลกนะทาให้คิดอันนี้อันนี้ถ่ายตั้งหลยถ่ายนี้ถ่ายมากนะถ่ายเหมือนแต่ก่อนนี่งมากกว่า น, นั้นเป็นบางครั้งนะแต่มันไม่เหนื่อยไม่เพียอันนั้นถ่ายเท่าไรอ่อนลุกขึ้นจากที่ถ่ายจะไม่ได้นะน้อมมือยันขึ้นอขนาดนั้นนะถ่ายแต่ก่อนคือถ่ายก็่าไอ่อนลงอ่อนลง ปัสาวะหัวขามาลงไปลูกไม่ขึ้นสุดท้ายก็ต้องไปยืนต้นเสาต้องถ่ายปัสสวะยืนคือคือลงนั่งถ่ายแล้วลูกไม่ขึ้นแล้วตรงมือต้องยันแล้วก็จะขึ้นได้ต้องเลยต้องเปลี่ยนท่าถ่ายใหม่ต้องยืนถ่ายที่นี่นะมีสามซ้ำยังต้องได้จับ ก็พิงต้นไม้ไยอยู่มันยังกำพลาโซเซลร่มเองนะแล้วหายลงหายลงหายวันหายคืนหายอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเราสงสัยเอ๊ไม่มีปฏิกิยาอะไรบอกเลยนะมีจะหายลงไปเรื่อยการถ่ายไ่ลงเรื่อยถ่ายแล้วไม่เพียเรื่องได้กระชั้นเลยถามหมอเอ๊มมันจะหายจริงเหรือทำไม โรคก็นี่ถ้าเป็นนักเกรงก็เรียกว่านักเกรงโตถ้าเป็นเสือก็เสือโคร่งใหญ่นะก่อนที่มันจะตายนี้มันต้องต่อสู้เราสุดอย่ยงของมันทั้งฝ่ายโจรฝ่ายเสือโคร่งนั่นแหละว่ะแต่โลคอันนี้ทําไมไม่เห็นมีปฏิจริยาแสดงอะไรโตอตอบกันบ้างเลยเป็นอย่างนี้ถ่ายเท่าไหร่ก็ถ่ายจะมันไม่เพียเหมืนอนแต่ก่อนก็บอกว่าไม่มีปฏิจริยาเขบอกว่า แล้วนี่มันจะหายได้จริงหรือเหายเอว่างเพราเห็นอะไรเอาว่ามาเพราะโรคชนิดนี้ผมเคยรักษาหายมาเป็นร้อยๆแล้วาวางล้วก็ทักอ่อนลงที่แรกไม่เชื่อยาไม่เชื่อหมอแล้วไม่เชื่อโรคเขาเองแล้วก็เป็นอย่างนั้นตลอดมาจนกระทั่งทุวันนี้นะหายวันหายคืนหายวันหายคืนพอฟื้นขึ้นบ้างก็เรียกว่าขึ้นเวทีเลยนั่นแหละมันจึง พอมโซอยู่เวลาขึ้นเวทีเขาฉายออกทางทีวีทางไหนก็พรอมโศส้อมโศก็คนพุ่งฟื้นขึ้นมาก็ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็หายชาเหมือนกันเพราะมันเป็นมานานหนึ่งแล้วก็คนแก่หนึ่งหายชาแต่มันหายมันไปเรื่อยไม่เคยมีปฏิกิริยาจนทุกวันนี้ปกติเป็นปีกว่าแล้วนะ ท้องนี้ไม่เหมือนไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยนะท้องดีถ่ายแข็งเนี่ยนะเขาให้สังเกตดูการถ่ายถ้ามันอันเรื่องนี้มันเบาลงไปก็การถ่ายก็จะค่อยแข็งตัวขึ้นแข็งตัวขึ้นข้นขึ้นเพราว่างั้นแล้วปกติแล้วก็การถ่ายก็ธรรมดามันก็ค่อยเปลี่ยนมาๆจงกระทั่งการถ่ายเป็นธรรมดา มาได้ปีกว่าแล้วนะนี่แหละเรียกว่าปีกว่าหายขาดจริงๆถึงได้แน่ใจทุกวันนี้ไม่มีเลยนะโรคชนิดนั้นไม่ปรากฏเลยตั้งแต่วันฉันยาแล้วก็ยาถ่ายก็ถ่ายไปยสุดถ่ายแล้วก็มันก็ค่อยค้นเข้ามาการถ่ายก็ลดน้อยลงลดน้อยลงมันก็เลยกลายเป็นปกติขึ้นมานี่ยนี่แหละมันเป็นกรรมเป็นบุญอะไรก็ไม่ทราบนะในที่เดี อุตส่าห์พยายามช่วยโลกสงสารมาเนี่ยก็ไม่ได้คิดไปตั้งใจมีจจะตั้งหน้าจะตายทาเดียวมันก็ฟื้นขึ้นมาได้อย่างทุกสิงกูอย่างยาเนี่ยก็เหมือนยาเทวดาแล้วโรคนี่ก็เหมือนปฏิหารฟื้นขึ้นมาอย่างง่ายดายเออมันน่าคิดอยู่นะเ น, นี่ยที่สําคัญมากนะอย่างใ น, นเล่าเรื่องให้หมู่เพื่อนฟังถึงเรื่อง ขาการของเราอายุแปดสิบแล้วก็หยุดและเริ่มหยุดการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนหยุดไปแล้วนะั้นเนี่มันก็มาพลิกแพงขึ้นมาใหม่เนี่ยด้วยเหตุการณ์ดังที่กล่าวเนี่ยจึงได้ไดกเทศอย่างที่เห็นนี่เองะถึงไม่ได้กด็สั่งสอนหมู่เพื่อนนะตั้งจะแปดสิบมาแล้วไม่ได้สั่งตั้งประชุมสั่งสอนหมู่เพื่อนเลยนอกจากวันมีงานเช่นวันเข้าววันศาวันกระถินบ้างถึงจะเทศอบรมหมู่เพื่อน ทำธรรมดาไม่ได้อบมลมเนี่ยไหนน่เหนืออ๋ออาจะเทศสอนประชาชนกับหมวดกำลังแล้วผมแล้วก็ทำไมจะได้มีกำลังมาสอนพ้าสอนเนงเนี่อเรื่องราวมันเปี่ยนฉงนะงไม่ได้อบล ม, มู่เพื่อนกำลังดูกำลังเจ้าของอยู่เอผมลรืมอเอาดูมันเรื่องเอาเอา ไฟฉายมาค่ะเพราะตอนมามันยังไม่มืดอย่างนั้นทัวรเนี่ยไม่ได้หน้าเดียวหลังอะไรนะนี่จะลืมกับลืมเทศก็ขาดหน้าขาดหลังแล้วเดี๋ยวนี้อากาศโอ้ยไฟฉายเด้ไม่แล้วมา